เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวโดยดังก ล, ลิก่นถามรักแฟนมากแต่ไม่ชอบครอบครัวเขาเลยกลัวจะเป็นปัญหาเมื่อแต่งงานกันไป เพราะเขายังมีความผูกพันและขึ้นอยู่กับครอบครัวค่อนข้างมากเวลาต้องไปบ้านครอบครัวของเขาบางทีรู้สึกเหมือนส่วนเกินหรือถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเข้ากับใครไม่ได้แม้เขาชวนคุยด้วยก็ฝืนแบบถามคำตอบคำเหมือนลางไม่ดีชวนให้กังวลลึกๆว่าในที่สุดจะอยู่กับแฟนรอดไหมอยากทราบว่าโดยทั่วไปแล้วการร่วมกันกับแฟนอย่างเดียวเพียงพอจะประคองชีวิตคู่ ได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ตอบคนเรามีรากเงาด้วยกันทั้งนั้นครับบางคนดูเป็นผู้ดีมีการศึกษาพูดจานิ่มนวลแต่พอพาไปรู้จักกับที่บ้านแฟนถึงกับผงะเพราะเจอแต่ญาติญาติการศึกษาน้อยและเสียงบงเบงกรรมเก่าเป็นแดนเกิดกรรมเก่าเป็นเผ่าพันธุ์ แต่กรรมใหม่ก็อาจทำให้คนคนหนึ่งแตกต่างไปจากแดนเกิดและเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมของเขาแล้วสืบไปคุณอาจพบว่าแฟนพัฒนาตัวเองมาจากความเป็นใครอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เขาในทุกวันนี้อดีตคือความเป็นไปได้ที่คนคนหนึ่งจะกลับไปสู่ความเป็นเช่นนั้นอีกส่วนปัจจุบันก็คือข้อเท็จจริงที่คนคนหนึ่งก้าวผ่านอดีตมาสู่ตัวตนที่กาลังปรากฏ อดีตอาจสําคัญกว่าปัจจุบันถ้าอดีตมีแรงดึงดูดมากพอจะนวงเหนีนยวปัจจุบันกลับไปหาอดีตได้ทุกเมื่อแต่ปัจจุบันจะสําคัญกว่าอดีตหากปัจจุบันดีตัวพ้นจากอดีตออกมาอย่างสิ้นเชิงแล้วในฝั่งของคุณถ้าคุณแคร์เขาในวันนี้มากพอก็อาจข้ามข้ามอดีตตรรมของเขาไปได้แต่ถ้าคุณคิดมากและติดอยู่กับการดูคนที่อดีต ก็อาจมองข้ามปัจจุบันกรรมของเขาไปเสียหมดฟังจากสำนวนคําถามดูเหมือนนี่เป็นเรื่องชอบใจหรือไม่ชอบใจมากกว่าอย่างอื่นเรื่องความพอใจในการคบค้าสมาคมนั้นเป็นเรื่องของธาตุนิสัยไม่ใช่เรื่องความดีความชั่วและเมื่อไม่ได้เป็นเรื่องของความดีความชั่วก็ยังชี้ชัดยากว่าครอบครัวของเขา ถือเป็นลางดีหรือลางร้ายสำหรับชีวิตคู่ของคุณถ้าสมมุติว่าคุณพ่อของเขาเป็นพวกค้ายาค้ามนุษย์อันนี้พุทธเราถือว่าเป็นอัปมงคลเป็นนิมิตบอกลางไม่ดีกับการต้องมาเป็นทองแผ่นเดียวกันทั้งนี้เพราะวันหนึ่งอาจเกิดเรื่องเสื่อมเสียมาถึงคุณทั้งที่คุณไม่มีส่วนรู้เห็นหรือสมรู้ร่วมคิดใดๆเลย เอาแค่ตำรวจจับพ่อเขาเข้าคุกนำส ก, กุลปรากฏราบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเท่านี้คุณไปกรอกใบสมัครงานที่ไหนใครเขาก็จ้องเอาด้วยสายตาหวดาดระแวงแล้วแต่หากญาติพี่น้องของเขาดูไม่มีคลาสสำหรับคุณอันนี้ยังไม่แน่ยังต้องพิจารณาองค์ประกอบรอบด้านให้ละเอียดอีกทีทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างคนเราปรับเปลี่ยนกันได้ การดูถูกกันกลบเกลื่อนได้ด้วยบุญร่วมกันเอาแค่ทั้งสองฝ่ายพยายามมองแง่ดีพยายามเจรจาด้วยถ้อยคำอันยังให้เกิดความรองดองเท่านี้ก็เป็นบุญใหม่ที่สะสมแล้วก่อให้เกิดความรู้สึกดีดีเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่พบกันได้แล้วบุญทำให้เกิดอะไรดีดีขึ้นเสมอทั้งแบบที่ปรากฏเป็นรูปธรรมและแบบที่ปรากฏทางความรู้สึก เมื่อกล่าวถึงบุญโดยหน้าที่ผูกเชื่อมสัมพันธ์ให้คนเรารู้สึกดีต่อกันก็อาจมองได้อย่างนี้ 1. ในชาติใกล้เคยมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันมากับแฟนแต่กับคนในครอบครัวของเขาอาจมีมาน้อยหรืออาจกระเดียดไปทางบาปกรณีนี้แม้ท่านิสัยดูเหมือนเข้ากันได้แต่ก็กลับอึดอัดใจกับการคลุกคลีตีมงกัน ทางปรับปรุงที่เป็นไปได้คือประกอบบุญร่วมกับคนในครอบครัวของเขาเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งสองฝั่งอย่างไรให้แน่ใจว่าฝั่งของคุณพยายามแล้วก็แล้วกัน2ในชาติใกล้เคยมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันโดยพร้อมเพรียงทั้งกับแฟนและคนในครอบครัวของเขากรณีนี้แม้ท่านิสัยเข้ากันไม่ได้สนิท แต่ก็ยังคงสนิทใจกับการคลุกคลีตีโมงกันหากประกอบบุญเพิ่มขึ้นอีกสัมพันธภาพก็จะปรับปรุงขึ้นอีกเช่นให้ความรู้สึกผูกพันแน่นแฟ้นหรืออบอุ่นอยากอยู่ใกล้กันมากกว่าเดิมสมัยก่อนคนแต่งงานกันแบบไม่คิดมากเจออะไรหลังแต่งก็ทนทนไปใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายจากกันแต่สมัยนี้คนคิดมากขึ้น บางทีอาจถึงขั้นมองว่าใครตัดสินใจแต่งงานถือว่าเป็นพวกที่ไม่กลัวปัญหาหรือแบบที่เรียกว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนอันนี้ก็ว่ากันไปครับอย่างไรถ้าคุณตัดสินใจบนพื้นฐานของความรักจริงเป็นหลักเรื่องอื่นก็ล้วนเป็นรองไปได้เพราะความรักจริงจะทำให้คุณยอมมองข้ามรายละเอียดที่ไม่น่าชอบใจในอีกฝ่าย ตลอดจนเต็มใจทุ่มเททุกสิ่งเพื่อทำอะไรให้ดีขึ้นกว่าจุดเริ่มต้นเสมอ